ที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะที่ปฏิสัมพิทาข้อความที่กล่าวมาเป็นการกล่าวถึงทุกขสัพเป็นไพร้อมทั้งเหตุปัจจัยที่ทำให้ทุกขสัพเหล่านั้นเกิดขึ้นนะมันก็ว่าอุปาทานขันธ์ห้ามีเหตุเกิดอย่างไรภาษายตนาหกมีเหตุเกิดอย่างไรตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นมีเหตุเกิดอย่างไร ทีนี้เมื่อเรารู้เหตุเกิดความเป็นไปของอาหูจมูกลิ้นกายใจของอุปาทานขันท่าอย่างนี้ดีแล้วเนี่ยก็มีความต้องการหรือมีฉันทะที่จะปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากขันท่าซึ่งข้อปฏิบัติที่ทําให้พ้นจากขันท่านั้นนะ่ะก็ต้องสิ่งนั้นต้องไม่ใช่ขันท่าถ้าจะออกจากขันท่าจริงจริงอ่ะนะ ทำที่จะทําให้ออกจากขันห้าต้องไม่ใช่ขันห้าท่านบอกว่าอสังคตะเป็นที่ออกจากสังคตะพระนิพานนี้เป็นที่ออกจากสังขารดังนั้นพื้นฐานจะต้องเห็นภายในสังขารเห็นความเป็นไปในสังขารอย่างอย่างตลอดสายทีนี้เมื่อรู้สังขารเหตุปัจจัยที่ทํทาให้สังขารเป็นไป แต่สังขารที่ว่าก็คือชีวิตของเราทั้งหลายนั่นแหละชีวิตของเราเป็นตายอย่างไรเหตุใดที่ทําให้ชีวิตของเราเป็นตายในวตะถ้าเราจะออกจากวตะเนี่ออกได้อย่างไรอั้นพื้นฐานเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติเพื่อการออกจากวตะการปฏิบัติเพื่อออกจากวตะจะเรียกว่าปฏิปทาเพื่อออกจากทุกข์ก็ได้นี่นะก็เริ่มตั้งแต่การตามเห็นขันเหล่านี้โดยความเป็นของ ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะังั้นการตามเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงก็เป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะก็ยังนิพพิทาให้บริบูรณ์นิพพิทาที่เกิดมากขึ้นก็ยังนํามาซึ่งความคลายกําหนัดความดับและความสละคืนดังนั้นคุณธรรมเหล่านี้ก็จะค่อยๆพอกโูนมากยิ่งขึ้นแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อสลัดออกกากขันห่า เมื่อการปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสลับออกจากขันห้าอย่างนี้ดําเนินไปเรื่อยดําเนินไปอย่างมากขึ้นรั้นสภาพจิตก็จะเหนื่อยหน่ายจากสังขารโดยประการต่างๆเหนื่อยหน่ายจากสังขารก็ต้องพ้นจากสังขารที่เรียกว่าวิสังขารทีนี้การที่จะออกจากสังขารเพื่อ น, น้อมไปหาวิสังขารเนี่ยพื้นฐานจะต้องระวรู้พิษภัยทุกโทษของสังขารเป็นอย่างดีจิตก็น้อมไปหา วิสังขารในขณะที่จิตน้อมไปหาวิสังขารเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติเพื่อหลีกจากสังขารเพราะเห็นโทษภัยของสังขารทีนี้ปัญญาที่หลีกออกจากสังขารได้อย่างเดียวเนี่ยชื่อว่าโคตรภูยานโคตรภูคือหลีกออกจากสังขารนิมิตโดยที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์คือเป็นการหลีกออกจากสังขารเท่านั้นแต่ยังไม่ได้ห ล, ลีกออกจากวัต ก็หมายความว่ายังไม่ได้หลีกออกจากสมุทยัยยังไม่ได้หลีกออกจากภพที่แปดแต่หลีกเฉพาะแค่อารมณ์เนี่ยนหะลีกเฉพาะอารมณ์บอกว่าโคตรภูนี่ตั้งอยู่ในอาวัชนะแห่งอริยมรรคเนี่ยนะในคําว่าพหิทธาพหิทธาวุฒานะวิวัตเนปัญญาโคตรภูญาณังเนี่ยแปลว่าปัญญาในการหลีกนะในการหลีกออกจากสังขารนิมิตภายนอกเป็นโคตรภูญา เรีว่าเป็นการหลีกออกจากเการียกว่าอุปาธาปวัตตนิมิตตาอายุหะคติปฏิสนทิชาติชราพยาทีมรณะโศกะปริเทวะอุปายาสเนี่นะเหมือ น, นการหลีกออกจากสิ่งเหล่านี้ก็คือหลีกออกจากอุปาทานขันห้าหลีกออกจากขันห้าหลีกออกจากสังขารทุกชนิดนั่นเองคำว่าหลีกในที่นี้นะธรรมชาติของจิตเนี่ย ปราศจากอา ร, ม, อารมณ์ปัจจัยไม่ได้ใช่ไหมธรรมชาติของจิตต้องมีอารมณ์ปัจจัยอยู่ตลอดเมื่อมีอารมณ์ปัจจัยเนี่ยเมื่อหลีจากสังขารต้องมีสิ่งอีกหนึ่งที่เรียกว่าวิสังขารเป็นอารมณ์แทนอัน น, ะ น, นั้นนทีผานนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าขยังวิราคังอมตังปณีตังยทัตจขาสกยาโมนีเนี่ยนะทนนันทีผานี่เป็นขยังคือขยะหมายถึงสิ้นราคะวิราคะเนี่ยนะคลายกำหนัดอมะตะ ไม่ตายเพราะไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอนีตังประณีตนะที่พระพุทธเจ้าผู้สักยะมุนีแสดงไว้แล้วอันนี้ก็เป็นความประนีตแห่งพระธรรมใช่ไหมพระธรรมนั้นโดยเฉพาะพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมชาติที่สิ้นอาสะวะทั้งปวงความสงบกิเลสทั้งปวงความสิ้นอาสะวะนะความประนีตอมตะเป็นสภาพที่ไม่ตายสภาพจิตก็หลีกออกจากสังขารนิมิตเพราะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของสังขารนิมิต แล้วก็หลีกออกโดยที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์คำว่าปัญญาในการหลีกออกจากสังขารนิมิตภายนอกคำว่าภายนอกนี้เป็นชื่อของสังขารนิมิตอันนี้หมายถึงขันธานั่นเอ ง, เ, องเพราะว่าสังขารนิมิตนั้นท่านกล่าวว่าพหิทธาภายนอกเพราะอาศัยอาคุศลขันในจิตสัณดานในภายในจริงๆน่าจะหมายความว่าเทียบอาุศลสังขารอากุศสขัน ในจิตตสันดานภายในเพราะว่าโคตรภูรลีกออกได้เฉพาะอารมณ์อย่างเดียวไม่สามารถลีกออกจากสมุทัยได้จริงๆไม่สามารถลีกออกจากภพที่แปดได้โดยโดยธรรมชาติของโคตรภูเนี่ยนะทีนี้ไอ้คำว่าภายนอกเนี่ยเมื่อเทียบกับภายในคือสมุทัยเนี่ยนะเพราะว่าโคตรภูรยังไม่สามารถหลีกออกจากสมุทัยได้ เพราะฉะนั้นโคตรภูยานั้นย่อมออกคือตั้งอยู่ในเบื้องบนปราศจากสังขาร น, นิมิตทั้งภายนอกฉะนั้นโคตรภูนั้นจึงชื่อว่าวุฒธธานะวุฒา น, านี้แปลว่าการออกนะการออกโคตรภูยานั้นย่อมหลีกออกย่อมหมุนกลับคือหันหลังให้ให้สังขารน่ะนะฉะนั้นโคตรภูยานั้นจึงชื่อว่าวิวัตนะเป็นการเรียกว่าหันหลังกลับจากสังขารทุกชนิดเลย วุฒานะนั้นด้วยวิวัฒนานั้นด้วยฉะนั้นจึงชื่อว่าวุฒานะวิวัฒนะเพราะฉะนั้นท่านพระพุทธโคส า, าจารย์ได้กล่าวไว้ในวิสุทธิมักว่าโคตรภูญานยังไม่ออกจากประวติกขันเพราะยังกับสมุทัยยังไม่ไม่ขาดคือยังออกจากว่ากะอะไรไม่ได้เลยตัวตัวโคตรภูญานเนี่ยนะแอออกจากนิมิตได้เพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์ออกเฉพาะจากสังขารนิมิต ฉะนั้นจึงชื่อว่าเอกโตวุฒานะคือออกจากสังขารนิมิตโดยส่วนเดียวออกจากอารมณ์ได้แต่ยังไม่ออกจากจากนิพพานเป็นอารมณ์ได้เนะี<ม>่ยก็คือออกไงแค่ อ, ออกจากอารมณ์ไงอารมณ์นี่ไม่ใช่สังขารนิมิตเนี่ยเป็นเป็นการหันหลังให้สังขารนิมิตถ้าถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเรามันมีอยู่สองแห่งะนะ ที่แข่งหนึ่งเนี่ยไฟไหม้ลุกท่วมหมดเราไปยืนอยู่ตรงหน้าประตูแล้วหันหลังออกหันหลังออกเห็นที่ปลอดภัยเนี่ยนะหันหลังให้ประตูที่มีไฟไหม้ลุกท่วมข้างหลังเต็มไปหมดเลยนะแล้วมองเฉพาะมองออะไรมองประตูมองสถานที่สงบราบเรียบเย็นสบายเนี่ยนะแล้วก็เตรียมที่จะ ก, กระโดดออกคือยังยืนอยู่ฝั่งโดยสภาวะเนี่ยยังยืนอยู่ในฝ่ายแห่งสังขารอยู่ แต่ว่าจิตเนี่ออกแล้วหันไปมองฝั่งโน้นแล้วนะเพื่อที่จะเตรียมเตรียมออกเนี่ยนะมันก็หลีกได้แต่ส่วนเดียวนะหลีกได้เฉพาะในด้านอารมณ์ชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงาำเสียซึ่งโคตรปุตุชนและเพราะก้าวขึ้นสู่โคตรอริยะเพราะโคตรภูยานนี้กระทําพระนิพพานชื่อว่าอนิมิตต์ไม่มีนิมิตคือไม่มีนิมิตคือรูปน้ำขันห้าเนี่ยนะให้เป็นอารมณ์ในที่สุดแห่งอาเสวนะ ด้วยอนุโลมยานของจิตที่เหนื่อยหน่ายจากสังขารทั้งปวงดดน้ำตกจากใบบัวก้าวล่วงเสียซึ่งโคตปุตุชนซึ่งนับว่าปุตุชนซึ่งภูมิแห่งปุตุชนอย่างลงสู่โคตแห่งพระอริยะอันนับว่า อ, อริยะเป็นภูมิแห่งพระอริยะยังความเป็นปัจจัยให้สําเร็จแก่มรรคด้วยอํานาจปัจจัย6ปัจจัยเห็นไหมคือโคตรภูนี่เป็นปัจจัยแก่อริยมรรคได้หปัจจัยนะ เกลนันตรสมนันตราอาเสวนาอุปนิสัยนัตถิวิคตะอันถ้าใครศึกษาอนันตระชาติมาเป็นอย่างดีก็ไม่ใช่ปัญหาหมายถึงว่าโคตรภูยามที่ดับไปนั่นแหละเป็นอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยอาเสวนาปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยนัตถิปัจจัยแก่อริยมรรคเนี่ยนะอันเป็นไปในครั้งแรกความเสพในครั้งแรกอันประชุมพร้อมกันในครั้งแรกในอารมณ์คือพระนิพพาน ถึงยอดเป็นศีสาวิปัสนาถ้าพูดในหนึ่งก็บอกว่าเป็นยอดของโลกิยะว่ะมาณนี้เด็กเป็นยอดของโลกิยะแล้วงั้นย่อมเกิดขึ้นกระทําให้เป็นสภาพที่หมุนกลับอีกไม่ได้หมายความว่ายังไงจะไม่ย้อนกลับมาหาสังขารเหมือนเดิมเลยนะถ้ามรรคไม่เกิดเนี่ยยังไงก็จะมีหันหลังกลับมาหาสังขารอีกต่อไปทีนี้ถ้าว่าโดยรวบยอดสรุปเนี่ยนะว่าผู้ที่เบื่อหน่ายในสังขารโดยประการทั้งปวง ความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงเนี่ยนะเพราะเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือโดยสภาพใจรักพอเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะในอุปาทานขันธ์ทั้งห้าทั้งปวงก็ อ, อนุโลมมียานก็เกิดใช่ไหมอนุโลมต่อยานเบื้องต้นแปดประการอนุโลมต่อโพธิปักขยธรรมทีนี้พออนุโลมมียานเกิดอย่างเงี้ยสิ้นไปเนี่ยนะดับไปก็เป็นอนันตระปัจจัยแก่โคตรภูยานซึ่งมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ นิโคตรพูญานที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั้นนะซึ่งหลีกออกจากหลีกออกจากสังขารโดยอารมณ์ต่อไปก็จะหลีกออกจากทั้งสังขารด้วยทั้งวะตะด้วยทั้งกิเลสด้วยอย่างนี้เรียกว่ามัคคานนะมัคคายานุนนนานนเทศกล่าวว่าในคำว่าอุพโตวุฒานาวิวัตเนปัญญามัคเฆยานังแปลว่าปัญญาในการออกและหลีกจากขันและนิมิต ท, ทั้งสองเป็นมัคคานเห็นไหมหลีกออกได้ทั้งในสองส่วน คือทั้งด้านอารมณ์ด้วยทั้งในด้านสมุทัยด้วยท่นานอธิบายไว้ว่ามรรคยานย่อมเกิดขึ้นนะมรรคยานย่อมออกคือย่อมหมุนกลับจากกิเลส ท, ทั้งหลายและขันอันเป็นไปตามกิเลสเหล่านั้นคือถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วนะมันทําให้เกิดอะไรอีกเช่นกิเลสคือทิฏฐิเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นด้วยเจตสิกที่ประกอบกับกิเลส แล้วก็จิตแต่ชรูปทั้งหลายที่มีสติสติเป็นสมุทฐานวิบากและกรรมชรูปที่จะมีในอนาคตโดยมีทิสติเป็นต้นเนี่ยเป็นปัจจัยนั้นมัรคยานคือโสดาปฏิมัรคยานเป็นต้นเนี่ยก็จะหลีกออกจากบาปจากอากุศลจากกิเลสเหล่านั้นแั้วก็หลีกออกจากกรรมกิเลสก่อนกับทั้งหลีกจากสังขารนิมิตทั้งปวงในภายใน นอกจากการกระทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์เพราะตัดกิเลสทั้งหลายได้ขาดแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าปัญญาในการหลีกออกและหลีกจากขันและนิมิตทั้งสองหมายความว่าหลีกทั้งสังขาร น, นิมิต ด, ด้วยหลีกออกจากสมุทัยสยัตว์ด้วยเนี่ยถ้าหลีกออกจากสมุทัยก็คือหลีกออกจากกิเลส